ไม่เข้าใจแต่เข้าถึงเมื่อใดก็รู้เห็นประจักษ์แจ้งเองเมื่อนั้นดังคุณบทหรือคำแสดงคุณลักษณะของนิพพานว่านิพพานอันผู้บรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเรียกให้มาดูได้ควรน้อมเอาเข้ามาไว้อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพึงสังเกตว่าคุณบททั้งห้าอย่างของนิพพาน ตรงกับคุณบด5ข้อท้ายของพระธรรมทั้งนี้สอดคล้องกับความที่ท่านอธิบายกันมาว่าคุณบดข้อที่1ของพระธรรมคือสวาคขาโตเป็นคุณลักษณะของพระธรรมส่วนที่เป็นคำสั่งสอนที่ต่อมาเรียกว่าปริยติธรรมคือธรรมอันพึงเล่าเรียนคุณบด ท, ที่2ถึง6คือสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก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 เราอาจได้รูปสัตว์ประหลาดเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งสำหรับนิยายโบราณเรื่องใหม่ก็ได้เพราะผู้ไม่รู้ไม่เห็นจริงนี่แหละมักใช้สัญญาต่างๆสร้างภาพได้วิจิตพิสดารนักทั้งนี้ภาพในใจของเขาจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นต่อความแม่นยำของสัญญาเกี่ยวกับลักษณะอาการต่างๆที่ผู้เล่ายกขึ้นมาพูดฝ่ายหนึ่งและสัญญาที่ผู้ฟังเอามาประสานเป็นองค์ประกอบสร้างสัญญาใหม่อีกฝ่ายหนึ่ง จะเห็นว่าคำว่าเห็นก็ดีสัพ์ก็ดีบกและตัวตัวเป็นต้นก็ดีล้วนเป็นสัญญาที่ผู้ฟังมีอยู่แล้วทั้งสิน้นแต่ในกรณีที่สิ่งที่นำมาบอกเล่าแตกต่างไปจากสิ่งที่ผู้ฟังเคยรู้เห็นมีสัญญาอยู่ก่อนแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีลักษณะอาการใดที่จะเทียบกันได้เลยผู้ฟังจะไม่มีทางนึกเห็นหรือเข้าใจได้ด้วยประการใดทั้งสิน้นเมื่อมีการสอบถามเทียบเคียงขึ้น